1. มุสาวาทวักเธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องพระอุทายี 60. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวัตถี เข้าไปหาตระกูลหลายตระกูลเช้าวันหนึ่งท่านครองอันตรวาศถือบาทจีวอนเข้าไปยังตระกูลหนึ่งสมัยนั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือนลูกสะพ้ยนั่งอยู่ที่ประตูห้องนอนท่านพระอุทายีเข้าไปหาหญิงแม่เรือนนั้นถึงตัวครั้นถึงแล้วได้แสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นลูกสะพ้ยเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณรูปนี้เป็นชายชูของแม่ผัว หรือพูดเกี้ยวแม่ผัวครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูหญิงแม่เรือนแล้วจึงเข้าไปหาหญิงสะพายถึงตัวครั้นถึงแล้วจึงแสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นหญิงแม่เรือนเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของลูกสะพายหรือพูดเกี้ยวลูกสะพายครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูลูกสะพายแล้วก็จากไปที่นั้นหญิงแม่เรือนได้กล่าวกับลูกสะพายว่า นี่แน่นางตัวดีสํานารูปนั้นกล่าวอะไรกับแกยิงสภัยตอบว่าท่านแสดงธรรมเจ้าค่ะแล้วคุณแม่ละ่ะพระคุณเจ้าพูดอะไรญิงแม่เรือนตอบว่าท่านก็แสดงธรรมแก่แม่เหมือนกันหญิงแม่เรือนกับลูกสภัยนั้นจึงตําหนิประนามโพลธ น, นาว่าชไนพระคุณเจ้าอุทายีจึงแสดงธรรมใกล้หูมาตุกคามเล่า พระธรรมกถึกควรแสดงธรรมเสียงชัดเจนเปิดเผยไม่ใช่หรือพวกพิสูจน์ได้ยินหญิงทั้งสองตำหนิประนามพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตนําหนิประนามพลธนาว่าฉไหนท่านพระโอทายีจึงแสดงธรรมแก่มาถุคามเล่าครั้นภิกษุนเหล่านั้นตําหนิท่านพระโอทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ